อยู่ในความสงบเงียบพระพรณ์วันนี้เป็นวันที่5วันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554องค์หลวงตาของเราละสังขารเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้วันนี้เป็นวันที่7ที่หลวงตาได้ละสังขาร แล้พร้อมกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้น้ำใจของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่รักเคารพในองหลวงตาหลั่งไหลเข้ามาอย่างเนืองแน่นทีแรกคคิดว่าวันตุดจีนจะไม่มีใครมาเพราะว่าเป็นวันสำคัญทางฝ่ายนู้นแถทิที่ไหนได้ลูกหลานที่กราบไหว้ บ, บรรพุทเสร็จแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาดมืดฟ้ามัวดิน ไม่มีวันไหนที่ว่าไม่มีคนเมื่อวานนี่ก็แน่นอย่างวันนี้เป็นวันเสาร์ไม่ต้องโพูด เ, เนืองแน่นอย่างมากๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะศิษยาณุศิษย์ลูกหลานทุกท่านทุกคนที่เข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาให้ถือเสมือนว่าพวกเราเข้ามาสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออะไรคือหลวงตาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้แก่พวกเรา หาทองคําเข้าคังหลวงเท่าไหร่สิบสองตันกว่าเกือบ13าตันเข้ามาแล้วแล้วก็ดอนล่าแล้วก็สงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนคนพิการกระตอดถึงหมาพิการท่านก็นยังสงเคราะห์เพราะฉะนั้นหลวงตาของเราเป็นผู้เสียสละออกมาจากจิตใจเป็นผู้เมตตมีเมตตาเพราะนั้นคณะสหาย ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่เข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาแห่งนี้ ใหญ่อย่าให้มีปัญหามาเพื่อเสียสละมาเพื่อทําบุญ อ, อ, อย่างองหลวงตาท่านพาธ ร, รมนั่นแนหะละหลวงตาของคนหลั่งไหลเข้ามาเพราะอะไรเพราะหลวงตาเป็นผู้เสียสละ เ, เป็นผู้ทําบุญเป็นผู้มีเมตตาพวกเราจึงหลั่งไหลเข้ามาแต่ว่าหลวงตาเป็นผู้ขี้ขี้ตนีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันใครพวกเราหลับตานนื้อตัวก็แล้วกันว่า จะมีใครไปหาไหมจะใครจะมีใครมาไหมนี่หลวงตาเป็นผู้เมตตาอย่างนั้นะพวกเราจึงหลั่งไหลเข้ามาเพื่อรักเคารพแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาตองค์หลวงตาเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้ถ้าว่าของหายอของหายของหลุดตกหล่นอย่าไปเก็บอย่าไปหยิบเพราะพวกเรามีโอกาสที่จะส่แสวงหาทรัพย์ทางอื่นได้เราอยู่ในบ้านเรือนของเราทามาค้าขาย ขายรถขายเรือขายสิ่งขายของขายแล้วหาเงินได้ทั้งนั้นแต่มาสู่วัดวาของโลวงตาเนี่ยเป็นผู้เสียสละมีอะไรเห็นตกหลน่นช่วยกันเก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขาอย่าให้มีมนทินทางด้านจิตใจให้พวกเราเสียสละนะคณะสทา ญ, ญาิโยมลูกหลานอันนี้หลวงพ่อขอเตือนพวกเราเมื่อวานนี้ก็ได้ไประชุมกันที่กองอํานวยการทั้งฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าก็ มาประชมด้วยมากลางคืนด้วยท่านผู้ว่าของเราก็ใส่ใจอย่างสุดซึ้งตลอดถึงแม่ทัพรองแม่ทัพนายทหารทุกโม่เหล่าตลอดถึงพี่น้องประชาชนหัวหน้าส่วนราชการสาธารณาสุขนางทางการแพทย์หลวงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นอย่างมากในการที่เข้ามาร่วมกันในคราวนี้นะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อขอกล่าว ให้คณะสัตยาตริรมรับทราบไฟสงนั่นก็คือหลวงปู่บุญมีปริปุนโนวัฒนาคูลของเราเนะ่ยเป็นพระผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาและก็องค์ปู่ลีของเรานี่แหละที่นั่งอยู่นี่แหละเป็นผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาและก็หลวงปู่เพง่งวัดถ้ำกองเพลนที่ท่านนั่งชันอยู่เนะี่ยอันนี้ก็คือพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์องหลวงตาจากนั้นก็หลวงปู่แบรนทานเมื่อวานท่านก็มานะท่านก็มาดูท่านเป็นห่วงเหมือนกัน มาดูงานของหลวงตาแล้วก็นัหลวงปู่ทวยดวงสีชมพูจากนั้นหลวงปู่อุลลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาของพวกเราที่พวกเรารักเคารพในองคหลวงตาของเราได้มาช่วยช่วยกันสั่งน้อยกับท่านกระสงลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเป็นหูเป็นตามาร่วมสมทบให้งานหลวงตาลุล่วงไปด้วยดีที่หลวงพ่อไม่ได้ระบุชื่อหนึ่งก็นี่หละ ขอให้พวกเราดูสืบสอบดูว่าเป็นลูกศิษย์ของลูกหาขององค์หลวงตาเนี่ยนี่แหละเป็นคราวที่แสดงออกซึ่งความกตันยูกระเวที่ตาจุดไหนบกพ่องคือไม่ต้องขอร้องกันไม่ต้องพูดว่าเออขอร้องมาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีถ้าวารู้จักหน้าที่นะให้พวกเรารู้จักหน้าที่คณะทศไทยญาติโยงเหมือนกันผู้ใดรักเคารพในได้รับพระธรรมคําสอนขององค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอน ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจให้พวกเราแสดงออกในคราวนี้แหละเป็นครั้งสุดท้ายพ่อลงตาเนี่ท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วเออตอนนั้นข อ, ขอให้พวกเราทุกๆท่ทานนะเออคราวนี้ยังศีระของท่านยังมีอยู่ขอให้พวกเราแสดงซึ่ออกซึ่งความกระตันยูกระเวทิตาโตองลงตาให้พร้อมๆกันสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องให้ช่วยกันทําให้ช่วยกันเสียสละ ยังองค์ลงตาที่ท่านพาพวกเราทําเพราะฉะนั้นขอให้หลวงพ่อเองก็ทำไมพูดตอนเช้าอย่างนี้ก็หาโอกาสที่จะพูดยากเนื่องเพราะความพร้อมเพียงสมัคคีมันยังห่างเพราะนั้นหลวงพ่อจึงถือโอกาสนี้ขอกราบขออภัยจากครูบาอาจารย์หมูพวกเพื่อนอตลอดถึงคณะสัตยาดยมทุกหมู่เหล่าด้วย เ, เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็สิ่งไหนที่ขาดตกบกพ้องนะก็บอกหลวงพ่ อ, อนํามาบอกหลวงพ่อ หรือว่านำมาบอกกระผมกระผมจะได้ชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนต่อไปสําหรับพินัยกรรมขององค์หลวงตาคิดว่าวันนี้จะหาหรือกันคณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ชวนหลวงปู่ฟักท่านก็มรณภาพไปแล้วหลวงปู่ปัญญาท่านก็มรณภาพไปแล้วพระท่านองค์ขมูตรีท่านก็บอกว่าท่านคงมาไม่ได้ท่านปวดหลังท่านสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ท่าน พันธีปัจจัยอันนั้นก็รู้สึกว่าไม่สบายก็ประชุมกันเท่าที่จะประชุมหารือกันได้เพราะเราจะต้องตั้งหารือกันพินัยกรรมของโลวงตานี่เราจะต้องรักษาให้ศักดิ์สิทธิ์มีเท่าไหร่ก็พูดกันจากนั้นเราก็จะได้ปรึกษากับญาติโยมผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะตุกปัจจัยที่ได้มาอย่างไรได้มาอย่างไรใช้ไปอย่างไรแต่ตามไม่จริงไม่ได้ใช้หรอกเอามารวมกันไว้ เราก็จะให้เป็นตามวัตถุประสงค์ขององค์หลวงตาให้มากที่สุดหลวงพ่อจะเป็นผู้ดูแลในจุดนี้ขอให้พี่น้องศรัท ธ, ธาญาติโยมผู้สูงอายุเก่าแก่ที่รักเคารพในองค์หลวงตานะอาตมาภาพจะเป็นผู้ดูในจุดนี้จุดหนึ่งไม่ให้รั่วไหลแตกซึมจะทําให้ดีที่สุดถ้ามันรั่วไหลแตกซึมมันกำกษุดวิสัยแต่พูดยังอยู่ในวิวสัยอยู่ในพิสัยหลวงพ่ออยู่นะหลวงพ่อจะดูให้ดีที่สุด เพื่อให้ไปตามจุดประสงค์หรือไปตามประสงค์ขององคลงตาที่ได้สั่งเสียมอบความไว้วางใจกับพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะช่วยช่วยกัน